ด่านนดับแรกมดาญาติโยมพุทธบริษัทก่อนที่จะรู้อะไรทั้งหมดก็ขอแนะนําในการปฏิบัติเพืกรรมฐานก่อนการเรินกรรมฐานขมดาท่านพุทธบริษัทก็คือหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์ศิลบริสุทธิ์แต่เราจะบริสุทธิ์เท่าศีลนั่นไม่ได้อีกดังนั้นคือหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์ ถ้ามีศินบริสุทธิ์แล้สมาธิก็เกิดเองเมื่อสมาธิเกิดอรรารมณ์ใจเยือกเย็นสติปัฏฐานยานคือปัญญาก็เกิดเองเหมือนกันสิ้ไม่เห็นได้เกิดสมาธิสมาธิไปจะเกิดปัญญาอันดับแรกคือขบันดาแต่พระสุริยสนาไหลโด้ทุนหน้าก่อนจิตภาวนาอย่างอื่นให้คิดว่าให้ใช้วติปัฏนานยัก่อนตอนที่พระบุรณ า, าจารย์มันสอนคุมกรรมห้าอย่าง กิเลสตัณหาอบาทานอคุณลกรรม <c oughs> กิเลสแปลวความเศร้าหมองของจิตัณหาคือความอยากได้อุบาทานยึดถือว่ามันเป็นของดีอกุศลกรรมคือความชั่วความโง่ทั้งสี่อย่างนี้มันเข้าครอบครองใจเราจึงต้องเกิดซื้อเราจะไม่เกิดต้องทำลายอารมณ์สีอย่างให้พ้นไป <c oughs> วิธีที่จะทำลายมามนในแรกเราค่อยๆทำอย่าทำแรงถ้าทำแรงเกินไปไปอาตายั า, านิยคไม่มีผลกลางความทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เราอยากได้ทั้งหมดมันเป็นตัวทุกทั้งหมดแตว่าเราจะมีทุกอะไรทำอย่า ง, รงไรก็ต้องหาทางสิ้นทุกทางสิ้นทุกมันมีมากวันนี้จะนามาแบบง่ายเฉพาะทานนบารมี จารคานติกรรมทานเขาบอกจารคานุสติไม่ใชหมายความว่าต้องให้ทานเสมอไปจาคาจารคราเสสละอนุสติแเราตามนึกถึงนึกว่าอยากจะให้ไม่อยากลักไม่อยากขโมยไม่อยากโกงของใครจิตคิดอย่างเดียวว่าถ้าไม่เกินความสามารถของเราเราจะให้ อย่างเขาขายข้าวเราจะให้ข้าวเขาขายเงินเราจะให้เงินเขาขายเสื้อผ้าเราจะให้เสื้อผ้าความต้องการาเขาบคคลที่มีทุกข์มีอะไรบ้างดีเขาต้องการถ้าไม่เคยวิสัยของเราเราจะให้แต่ถ้าบังเอิญไม่มีถ้าเราไม่มีเราก็ยังไม่ให้แต่ใจยังนั่งจะให้อยู่อย่างนี้เรยวาจารคานุติกรรมฐานฮะ ไม่ใช่จา่ายขาดเมื่อกี้คำถานต้องเป็นคนรวยจึงต้องให้ทุกอย่างคำว่าให้เนี่ยมันเป็นทานไม่ใช่จายขานิสติจกจ่ายไปทานธบารมีเนี <c oughs> ่ยทานธบารมีจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยจายาดเมื่อกำถา น, านเป็นพื้นฐานก่อนถ้าจิตคิดจะให้มีอยู่นี่จิตคิดจะให้อาศัยอะไรให้เกิดขึ้นคนที่จะให้กันได้ก็ต้องมีเหตุสองอย่างขึ้นหนึ่งความรัก คนที่เรารักหรือสัตว์ที่เรารักเราจึงจะให้ถ้าเราไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยรักมาก่อนก็ต้องเป็นสัตว์ที่คนที่เราสงสารเห็นเข้ามาทุกเราเกิดเราเกิดความสงสารเราจึงให้ด้วยความรักความสงสารนั่นสองร่าง ก, การนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรบ้างเป็นปัจจัยให้เกิดศีลเห็นไหมไม่ยากเลยอง่ายง่ายนเมื่อมีความรักมีความสงสารเกิดขึ้น เราก็ให้ได้ให้ฐานได้แต่ถ้าหาว่ามันยังไม่ทานไม่มีวิตุทานจะให้ส่วนที่ติดตามขึ้นมาก็คือศีลศีลทั้งห้ารายการนี่จะทรงตัวได้เพราะสายเมตตาความรักกุณาความสงสารในเมื่อเรารักเราก็ฆ่าเขาไม่ได้ทำร้ายเขาไม่ได้แต่ถ้าเราสงสารนะรักก็ดีสงสายก็ดีแต่รักเพื่อได้สงสารเราก็โกขโมยของเขาไม่ได้ใช่ไห ถ้าเรารักแล้วร้รสงสายคนที่บ้านเราก็นอกใจไม่ได้ถ้าเรารักแล้วเราโศสารนเราก็โกหกมดเทสไม่ได้ถ้ารักแลเศร้ ส, สายคนที่บ้านเราก็ไม่สามารถจะเดินุราเมรัยเพราะมันเกลื่อนใช่ไหมเกลือความบ้าเมตตาความนักกุณาความสงสารเป็นปใจใัจจัยเกิดสินง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยนะ ก็เป็นนั้นว่าถ้ามีความรักมีความสงสารสองอย่างจิตใจก็เยือกเย็นเมื่อจิตใจเยือกเย็นเองก็ไปสมาธิคือจิตตั้งมัน่นคิดอะไรก็ตามจะทำอะไรก็ตามจิตส่งตัวนี้ก็นําหาเอาจิตเข้ามาใช้แต่ได้ข้อกุศลคือใช้ควบคุมอารมณ์คืออนาปานุติกรรมฐานรู้อรมณ์หายใจเข้ารู้อรมหายใจออก ขนาดใดี่จิตรู้ลงห้ใจเข้าก็ดีลงหัใจออกก็ดีขณะดนั้นจิตเป็นสมาธิสมาธิแต่ไม่ว่าจะเราจะทำได้ข้งามาเล็กน้อยสองสามนาทีแล้วหนึ่งนาทีมันก็สลายตัวเพื่อเรียกขัติกาสมาธินะถ้าเป็นอุปจารสมาธิจะมีอารมณ์ปลื้มมีจิตใจชุม่มชื่นทำได้นานแต่ถ้าเป็น สมาธิแบบสูงสุดที่เราชาเรทรงตัวได้นานหน่อย <c oughs> เอาสมาธิเล็กน้อยดีกว่าทำได้วันนิดมานหน่อยใช้เวลาไม่มากวันหนึ่งได้สองนาทีบ้าง3สนนาทีบ้างก็ตามการที่ทรงสมาธิได้แม้แต่ใช้เวลาเล็กน้อยขณะใ ด, ดที่จิตทรงสมาธิในเวลานั้นจิตกรานจากกิเลสบ้างไหมรู้ลมเข้ารู้ลมออก สนใจเฉพาะลมเข้าสนใจเฉพาะลมออกหนึ่งอารมณ์ความรั ก, กระหว่างเพศไม่มีสองความละโมบโลกมากไม่มีสาความไม่พอใจไม่มีเสียร้อมหลงไม่มีเพราะอะไรเพราะจิตไะยุย่งกับลมไม่ใจไปแล้วญญนะครับท่านว่าเราทําได้วันเล็กวันน้อยยังมีผลเมการใดก็ต้องดูที่พระเจ้าตรัดกับภาษารีบท พทธเาแต่งาษลิบุตว่าสารีบุต ร, ร, ต ร, รตดูกนสารีบุตรบุคคลใดทําจิตให้ว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขนาดจิตหนึ่งแต่ถาเขถือว่าบุคคลนั้นเป็นผูมม้มีจิตไม่ว่างจากฌานเห็นไหมไอ้คําว่าขนาดจิตหนึ่งนี่มันไม่ถึงนาทีนะไม่ถึงนาทีนาทีเท่านั้นยาวกว่า แต่เราทําได้ทุกวันวันหนึ่งทำไมจิตบ้างจะ ก, กิเลสที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกหรือว่าเราใช้ค่าใช้คํภาวนาด้วยก็ยินดีถ้าใช้คํภาวนาควบจิตก็มีความกังวลในมากขึ้นคำว่ากังวลในสมาธิมากขึ้นมึงต้องรู้ลมหายใจเข้ารู้ลงมหาใจออกสองต้องรู้คาาําาวนานจิตจะทรงตัวมากขึ้นเมื่อเมื่อจิตทรงตัวในทำภาวน า, ากับลมหาใจเขาออกเวลานั้นจิตก็อ่านกิเลส ถ้าทำาด้ววันเล็กล็น้อยมันจะสะสมตัวเองาการสะสมตัวเองของสมาธิเล็กได้มาน้อยไม่ช้าอารมณ์ก็เป็นฌานคำว่าเป็นฌานให้สังเกตตามนี้ให้ฌานเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิาอน่ะอไม่จาริงวารอกตเริหน่งะอไม่จะานจริงแล้วฌานหตเิจหงและอไม่ฌานจริง้วฌานหรอกตลรกิจงไม่จานจ้นอเรกน่ฌานจริงแล้วตอเศรนึงอง่านง้นเรลานจ้ากตระ ถ้าเวลานั้นไม่ได้บูชาพระเราไม่สบายใจต้องบูชาพระถ้าไป ม, มีพระจะบูช า, าก็นึกแใ่ใจนึกบูชาเองถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าจิตมีฌานในการบูชาพระถ้าบูชาพระเมะรัยบ้างหนึ่งพุทธานุสติใช่ไหมนึกถึงพระพุทธเจ้าสองธรรมานุสตินึกถึงคําสวดมนต์สวดมนต์นี้เป็นธรรมะเป็ธร ร, เปธรรมานุสติ สามสังคามุีินถึงตระสงค์ที่เราชอบใจก็รู้ความว่าในเมื่อจิตมันทรงตัวแบบนี้ดัง น, นั้นสติแบบนี้ท่านนึกอยู่เสมอว่าถ้าถึงเวลาถ้าเราไม่ได้ทําใจไม่สบายนี่แหละชาลแฉบางคนบางฉันทรงชาลสี่ฉนห้าช า, 5, ชาอะไรเราตามอ่ะแต่ว่าต้องตั้งใช้ขัดสมาธิและจริงก็นึกถึงจะทรงตัวอันนี้ไม่จริงยังเป็การหลอกตัวเองอยู่อยองเพลยอยู่ อย่างคนที่เคยใส่บาตรเป็นปกติถ้าถี่เวลาไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ไม่สบายใจจะต้องใส่บาตรให้ได้ยันนี้ถือเป็นจาคานัเป็นมาเป็นสมาติเป็นเป็นชานในจาคานุติกรรมฐานและทานอมบาลมีด้วยเกรงความว่าวันนี้เราพูดกันถึงทานถ้าทานตัวเดียวจารคานุติกรรมฐานตัวเดียวเนี่ยเป็นนิพพานได้ไหมได้เลยเคยไปแล้ว ข้างเขาบอกได้เคยไปมาแล้วจาคามติกรรมาฐานตัวเดียวเนี่ยไปนิพพานได้ได้จริงๆเสียสงสัยเลอย่าลืมว่ายาคามติแต่มันมีศีลอยู่ด้วยนะมีพรมหมจรรย์สี่อยู่ด้วยนะถ้าไม่มีพรมหมจรรย์สี่นี่ยาคามติมันนึกไม่ออก <c oughs> มันให้ใครไม่ได้ใช่ไหมเมตตาความรักตุณาความสงสารถ้าไม่มีให้ไม่ได้ อารามณ์อิจฉาที่สยามีอยู่ให้ไม่ได้อารมณ์วางเฉยไม่มีให้ไม่ได้มันต้องมีทั้งสี่ตัวนี้ขุมใจ <c oughs> หนงเมตตาความรักในบุคคล น, นสัตว์ที่เรารู้จักสองกุศลความสงสารคนนสัตว์ที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็เกิดได้ความสงสารเมืุ่ขุตานิจิตอ่อนโยนยินดีเมื่อเขาได้ดีเราให้แล้แลวเราก็เพื่องใจไม่ได้สขขงเข้าเขาแล้วเขามีความสุข อันนี้เป็นรูป ต, ตาโอเบขาให้แล้วก็วางเฉยไม่เชื่อใจในทรัพย์สินเพรแต่ ต, ต้องให้พอดีกับทรัพย์สินของเรานะให้แล้วเราต้องไม่เดือดร้อนกล้องความว่าถ้าเราดีเพราะมีฐารสี่อย่างนี้ก็มันก็มีถ้าหมดทานก็มีได้สิลก็มีได้สมาธิก็มีได้วิปัสสนาญาณก็มีได้หัวใจเมื่อแท้จริงอยู่ที่พรมีฐานสี่ เมื่อกี้พูดแตทานตัวเดียวไต่ไม่หายต้องไหาสี่แล้วเี๋ยวถอยหลังใหม่ต <c oughs> กงความว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนนึกว่าโลกนี้เต็มด้วยความทุกข์ถ้าเราจะมีทุกข์อันดับแรกเราจะใช้1งเมตตาความรักสงกรา น, านความสงสารยี่คิดไว้เสมอว่าถ้าใครมีทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยเ้าจะช่วยได้เราจะช่วย เช่วยได้วิธีไหนก็ตามถ้าเกินวิสัยเราก็ไม่เที่ยงอารมณ์ถ้าเกินวิสัยเราช่วยมันได้แต่อารมอยากจะช่วยยังมีอยู่อันนี้เป็นจ า, ารคานุสติเป็นฌานนะคําไม่ฌานนั้นไม่จําเป็นอนุสติไม่จําเป็นต้องนั่งหนับตาคขาจะตามนึกถึงให้เฉยท่านี้ก็พูดกันมาตอนนี้ถึงจ า, ารค า, า, านุสติเล่าอธิษางสู่คนฟังดีกว่ามาเป็นสิบห้านาทีแล้วดีไหมตกลงไหม จะเล่านทางให้ฟังให้ตกลงไหมใครไม่ตกลงยกมือขึ้นเห้แสดงตกลงหมดแฮไม่เก็บเผยนะมีเรื่องในธรรมบทท่านบอกว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้าพักอยู่ที่ประเทตะวันมหาวิหารเวลามันองสเด็จพระคุตธรรมสมุปธิเสกสมาธิโพธิญาณใหม่ๆคำว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ปรากฏในโลก แต่ว่าคำว่าว่าอรหันนี่ชาวบ้านรู้เรื่องเขาต้องการอรหันแต่ไม่ยังไม่ได้จากอระดานจริงวันนั้ น, นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองสาวถีแล้วก็ไปพักอยู่ที่เทวบันมนหาวิหารบรรดาทายกก็ประกาศว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระพุิธมรคกัมหนาคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกขเขาบรรดาท่านหลายจงไปฟังเทศของพระเจ้ทาทั้งกลางวันและกลางคืน ใครไปกลางคืนก็ได้ใครไปกลางวันก็ได้ใช่ไหมในตอนนั้นท่านบอกว่ามีพราม์อยู่คู่หนึ่งสองตายาย่สองสามีตายายนะชื่อปจูเลกสาษดกแต่ว่าพราม์จูเลกภาษาดกนี่ตามพระบาลีตะวันว่าในสมัยเวระเวสีพรามณ์คนนี้ชื่อเอเ อ, เอมหามหาสาดกเอสาดกใหญ่ ส ม, สมัยพระเจ้าออนี่มาเกิดใหมก่ก็ชื่อสาะดกตามเดิมที่ตัวเรียกสาะดกสาะดกเล็ก <c oughs> พอจพับฟังได้ฟังก็บอกสถานว่ายายว่ายายจะไปฟังเทศกลางคืนหรือกลางวันเพราะเราได้ไปพร้อมกันไม่ได้แล้วจนมากเพราะมีผ้านหนุ่งคนละผืนมีผ้าหม่มผืนเดียวพราอมออกจาบ้านตะหขมผ้าเมื่อสามีออกจาบ้านพันยาก็ต้องเฝ้าบ้านเพราะไม่มีผ้าหม่ม ถ้าปัญญาคนนอกบ้านสามีเขาต้องเฝ้าว้านเพาไม่มีพระองค์ปัญญาเขาบอกว่ากลางคืนตาฉันไม่ดีให้ตาไปฟังกลางคืนก็นแล้วกันกลางวันที่จะไป <c oughs> ก็เป็นว่าท่านจูเลียกษัตริย์ก็ตกใจขันยุ่งๆเป็นท่านจูเลยนะเนยอย่าลืมนะว่าท่านทำอะไรพระเจา้าไม่งงตามแันนะือมั้นะอย่าง น, น้อยๆก็ปฏิพาณไปนานแล้ว ก็ตัดสินใจพอค่ำก็เดินทางไป ท, ไปที่ไปที่มหาวิหารประเจวันไปนั่งด้านหน้าพระเจ้าพระเจ้าตั้งใจเทศส่งเขาโดยเฉพาะคนฟังมากแต่วันนั้นท่านจี้จุดเฉพาะจูเลียกสาดกแต่คนที่พลอยได้เนี่ยไม่เยอะแต่ธรรมดาพระเจ้าเทศจะต้องมุ่งก่อนว่าวันนี้เราไปเทศจะมีใครมรรลุมากคผลไหมจะมีผลเป็นกันใดบ้าง ถ้าไม่มีผลเลยนี่ไม่ไปถ้าจะไปแล้วจะต้องพูดแบบไหนจึงจะมีผลเพราะรู้ไปก่อนมแม่ทันจูเลยอาดกไปตั้งข้างหน้าเทวเทศเรือนทานอวารมีอธิบายผลทานทานเป็นใจเกิดความรักเป็นต้นใช่ไหมผู้ให้ผู้รับย่อมมีเป็นย่อมรักผู้ให้อย่างนี้เป็นต้นถ้าบรรดาเพื่อนเพื่อนเขาบุงคนถผู้รับก็ย่อมรักผู้ให้ เทพยานี่เทศ อ, นอานิสงส์ฐานว่าการมีมนุษย์มีชีวิตยอยู่ก็มีความสุขก็มีพวกมากตายไปแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็เป็นผลร่ำรวยเป็นต้นท่านเทศยาวพอถึงยามต้นเทศแต่พวกข่นะพรามตัดสินใจคิดว่าเราจะถวายพระผมวเนนี้กับพระเจ้าพอคิดเปตอนนี้ก็ห่วงบ้านเพราะเทศไพเราะแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อน ถ้าเราถวายผ้าพวกนี้กัพระเจ้าแล้วพวกนี้ค่วงใ ย, ยก็มาไม่ได้ดิใช่ไหมห่วงยายจะไม่ได้ฟังเทศพระเจ้าประเทศต่อไปถึงยาในสองก็ตัดสินใจใหม่อีกแล้ก็ห่วงใ ย, ยอีกพอถึงยาในสามเลิกห่วงใ ย, ยเห็นแก่ตัวเลยไหมช่างมันทุกว่ายายจะมาฟังได้ไม่ได้ก็ช่างมันกูถวายละก็เปลืองผ้าที่ผม เขาก็คงจะแสนเก่าไม่ใช่แสนใหม่นะมีอยู่รันเดียวเลยนะเอาไปวางที่พระบาทพระพุทธเจ้านั้นก็ถอยหลังออกมาเป็นหัวเจ้ากูชนะแล้วกูชนะแล้วตามภาษาบาลีว่าชี้ตังเมย์ชี้ตังเมย์ไม่ใช่แตงเมนะไอแตงเมย์มันเหนียวใช่ไหมชี้ตังเมย์ชี้ตังเมย์เราชนะแล้วเชนะแล้วเวลานั้นพระเจ้าประเสนนี้กศนั่งฟังเทศจิตด้วย ยังให้ราชบัณฑเข้าไปถามว่าดูนี่ลุงคนแก่เนี่ยแกชนะอะไรของแกเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วใช่ไหมแม่ราชบัณฑเข้าไปถามก็บอกชนะความดันนี้เพอะตัดสินใจมาตั้งแต่ตอนเย็นตัดสินใจมันได้เวลานี้ตัดสินใจได้แล้ว <c oughs> ก็ลงความว่าวันพรุ่งนี้ทั้งตัวแกเองทั้งใหญ่ไม่ได้ฟังเทศถึงแม้จะไม่ได้ฟังก็ตามใจฟังเทศนีิชื่นใจมากแล้ว พระเจ้าปทิเนี่ยก็สมมติทราบก็สั่งให้เขาไปเอาผ้าสาดกที่พระองค์ทรงใช้เองอาจจะเป็ผ้าเลวหน่อยนะผ้าสาดนะราชาใช้เนี่ยนะอ <c oughs> ย่างส้วนนางเพลไม่ได้นางเพลอาจจะให้ดีกว่าเอามาสองผืนหนึ่งคู่ให้แกแกก็น้องก็ไปถวายพระเจ้าอีกที่สั่งเอามาให้สองคู่แกก็ถวายพระเจ้าอีก ไปถึงสามพุสองโคว่าเรื่อยไปนะสองโค่สี่โค่สองสองคู่สามโค่สี่โคูห้าโค่ว่าเรื่อยไปถึงสามพุสองโค่พอถึงสามพทสองโค่แกคิดในใจว่าถ้าเราไม่ไว้เลยท่านผู้ให้จะหาว่าเรารังเกียจเพื่อกันไว้สองโค่เพื่อยายคู่หนึ่งประตูโค่หนึ่งอีกสามสิบโค่มาถวายพระเจ้าพระเจ้ามาเสียนี้ก็สงสัยคิดว่าคนนี้มีความเลื่อมใสในที่เราเลื่อมใสแล้ว ก็ให้ไปนําผ้ากําพลที่พระองค์ใช้เองอย่างดีที่สุดราคาสายย่เนื้ณะมาสองผืนมาม้อให้พรามท่านจูเลียภาษาดกก็เอาไปทํำใบดานให้พระเจ้านั่งแล้วเผื่นหนึ่งเอาไปกั้นใพดานที่ว่านในผื่อนหนึ่งเพื่อพระสงฆ์ประชั น, นพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งตอนบ่ายพระเจ้าประสิทธิ์นึก ข, ขมาเห็นผ้ากําพลก็จําได้ถามพระเจ้าว่าใครถวายพระเจ้า บ, บอกจูเลียภาษาดกถวาย ยังทรงเลือกเดียวเป็นกรสาดกมาอีกตอนนี้ใจหายวับนะสั่งให้เข้าเฝ้าด่วนให้คนไปตามให้มาเดือนเดี๋ยวนี้มากกว่าหัวขาดขาดทำไม่ขาดเแ่าแก่ขาดไหมขาดหัวอะไรหัวสิวหัวสิวขาดพอรับสั่งให้ก็มาถึงก็บอกว่า ฉันให้ผ้าเธอถึงสามนิ้วสองขู้ไล่ไปลำดับมาเธอถวายพระเจา้าแล้วไหวสองขู้หัวตาขับยายฉันให้ผ้ากับผลเพร่เธอใช้เพราะเธอมีศรัทธาเธอตะมาทิ้งวายพระเจ้าอีกนี่ก็ได้บอกว่าผ้ากับผลเนี่ยไม่เหมาะสำหรับข้าพระเจา้าคนฐานะอย่างนี้ไม่สมควรทั้งคนเราจะอยู่หัวอย่างเดียวไม่หลวงพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านก็เลยมีบรรดาใหม่ ว่านับจากดับบัดนี้ไปต้นไปเราให้โค่สี่กับเธอหนะึ่งโคส่สี่ช้างสี่มา้าสี่ควายสี่กระบือสี่เฮควายกระบือเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเขาเขียนไม่เหมือนกันนะแล้วก็ผู้หญิงสี่ผู้ชายสี่ธาตุชายสี่ธาตุหญิงสี่แล้วก็ซับอีกสี่พันกะบะนะเวลานั้นเป็นคนรวยแล้วนะ และบ้านขนาบเก็บสวยภาษีรับเก็บภาษีอีกสีต่ตำบลโดยใหญ่เลยกลายไปนอนุเสถีไปตามมาตอนเย็นบรรดาพระสมณหลายก็นั่งคุยกันพระเจ้าที่ในมาวิหารว่านหน้าอาจารย์ในโจเลขาสาดกถวยายผ้ากับองค์พระเดชพระภูมิพระเจ้าเพียงแค่ผืนไม่น้อยผืนเดียวผ้าเก่าด้วยมีผลปฏิบันขนาดนี้ องสาเด็จจีนศรีฟังแล้วก็คิดว่าเราควรจะไปที่นั่นพอไปถึงท่งานถามว่าเธอคุณในเรื่ออะไรนี่เป็นธรรมดานะธรรมดาของพระพุทธเจ้าพระสงค์ก็เหมือนกันรู้แล้วต้องทำเป็นไม่รู้ <c oughs> พระก็เล่ฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจูเลสอดกถวายชาไปถ้าถวายตาถาคตตั้งแต่ยามต้นจะได้คู่สิบสอง สิองคู่นะถ้าว่าถวายยามกลางเล่คู่แปดคือแปดคู่ยามหน้าแปดนี่ถวายยามสุดท้ายที่่สี่คู่น้อยไปฉะนั้นการทำบุญต้องเลยวไวๆไวตุธิตะตุยตังทีฆ่า ท, ที่ขังไ ว, ไวๆเร็วๆใช่ไหมก็ลงความว่าบรรดาญาโยมพุทธบริัทวันนี้แนะนำนาานเรื่องกรรมฐานทำมาพูดกันรื่องทานต้องอย่าลืมว่าทานตัวเดียววิจาขค้าตัวเดียวเนี่ยปนิพานได้ ว่าจาฆ่าต้องมาจากภูมิหารสี่คือหนึ่งไม่ตาความรักสองก็นาความสงสารสามวุตุสาวุตาไมจิตอ่อนโยนไม่ฉิชาทิศยาไข่ใครได้ดีที่พอยินีด้วยสี่เวขาบางเฉยไม่เชืยอใยทรัพย์สินที่เราให้ไปแล้วในเมื่อทุกคนมีภูมิหารสี่อย่างนี้ทานบารมีก็เกิด การให้ทันเป็นการตัดโลภะความโลภของจิตมีการทรงมีฐานสี่ไปเหตุสิ้นทรงตัวในเมื่อสิ้นทรงตัวไปเหตุที่ตัดโทสะความความโกรธของใจในเมื่อโลภะความโลภไม่มีโทสะไม่มีความหลงก็สลายตัวไปเองนั่นก็โท่าสามขาอันหากเท่าสองขาหรือขาเดียวมันก็นอนกระดุกดิกไม่ไหวใช่ไหมมันเหลือแค่อนุสัย ต่อไปเมื่จิตใจปัญญาเกิดขึ้ น, นเมื่อเบื่อหน่ายในร่างกายเมื่อการเกิดในโลกเต็ไมไปด้วยความทุกข์และจะเกิดกี่ชาติก็มีความเกิดมีความแก่มีความป่วยมีความไม่ไมสบายกายไม่สบายใจมีการพลาดพลาดในของรักของรักรใจมีการตายอย่างนี้ทุกชาติเราก็เบื่อกันเกิดแต่เมืเ่อเบื่อความเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เวลานั้นก็ไปิผ่านไปแลนต์เป็นของไม่อยากนะพูดมาพูดไปพูดไปม า, าก็จบหมดเวลา ง, ง่ายอย่าจะว่าง่ายดักนะค่อยๆไปนะค่อยๆ ค, คิดโดยเฉพาะอย่างนี้ทุกคนคิดถึงความยานสีให้มากหนึง่งเมตตาความรักคนหรือสัตว์มีสภาวะความรู้สึกเหมือนกันคือรักสุขเกวททุกข์ต้องการความสุขต้องการความช่วยเหลือสำเรงมาความสงสารสงเคราะห์เขาตามกำลังที่เราจะเป็นสงเคราะห์ได้ อมุตตามีจิตอ่อนโยนไม่ชา้าเสียใครให้ใครยินได้ดีพอยินดีด้วยสี่เบขาวางเฉยเมื่อบุคคลใดมีทุกเพียงพ้าเราไม่ซ้ําเติมถ้าไม่ไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้ถ้ามันเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราไม่ซ้ําเติมและวางเฉยที่ก่อนถ้าจิตใจทรงตัวแบบนี้ทุกคนทานบารมีก็เกิดไม่จิตคิดจะให้ทานอย่างเดียวมีอยู่ ไม่อยากรักไม่อยากขโมยใครไม่อยากยื้อแยงทรัพย์ทั้งใบใครเวลานั้นถือว่ามีทานวารมีเต็มเป็นปรมัตถบารมีถ้าจิตทรงพรมัญสีเป็นโอติศินก็เป็นปรมัตถบารมีแล้ก็เมื่อบารมีทั้งสองอย่างเต็มปัญญาบารมีก็เต็มด้วยเพราะถ้าขาดปัญญาซะแล้วพรมัญสีมีไม่ได้คนที่จะทรงพรมาัาสีได้เพราะอาศัยมีปัญญา ที่อพระบดาญาติโยมผู้โดยสารมาหลายโดยทนหนาตั้งใจทรงบรงหารสีไว้ยทจามีชีวิตอยู่ชาตินี้ท่านจะมีความสุขตายไปเมื่อหน้าก็มีความสุขเลข่นเจอเครื่องบินก็มีความสุขเครื่องบินหล่นก็มีความสุขนี่สุขอะไรคนแล้วเขาเผาแล้วเอาละตอนนี้ไปคระญาติโยมที่ดีญาติโยมหลายตั้งใจสมาทานสินสมาทามทานนะ